จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำ ธรรมะบรรยายของหลวงพ่อประมหาเสริมชัยชยับมังคโลมาสู่ท่านสาธุชนซึ่งวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องการแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วยธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้นหลวงพ่อท่านได้ชี้แนวทางไว้เป็นที่น่าสนใจเพื่อที่จะสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านที่อยู่ในสภาวะขับขันเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ ที่กาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างสาหัสสากันเลยทีเดียวไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ได้รับผลกระทบโดยทั่วหน้ากันจึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมีธรรมะไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวหลวงพ่อท่านได้แนะนำอุบายวิธีไว้ให้สาธุชนได้นาไปประพฤติปฏิบัต ทางรายการธรรมสุสันติได้พิจารณาเห็นว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆที่รุมเร้าสาธุชนอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเศรษฐกิจจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมาน้อมใจสดับรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมสุสันติเรื่องการแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วยธรรม โดยหลวงพ่อพระหมหาเสริมชัยชยะมังคโลโดยพร้อมกันนบวันนี้เจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาคุยกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งซึ่งหัวข้อที่จะนำมาสนทนากับญาติโยมในวันนี้ก็คือว่าการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวด้วยธรรมะซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ มักจะปรากฏปัญหาในทำนองนี้ในครอบครัวอยู่เสมอซึ่งในฐานะที่อาตมาภาพเองแต่เดิมนั่นก่อนที่จะบวชหรือบรรพชาอุปสมบทเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาก็ได้ใช้ชีวิตในทางโลกในทางครอบครัวอย่างเช่นคฤหัส์ทั่วไปมาแล้ว ก่อนที่จะเข้าบัะชาอุปสมบทเมื่อมีอายุได้57บปีแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาชีวิตทั้งหลายที่อาตมาจะนำมากล่าวนี้เป็นปัญหาซึ่งอาตมาได้เคยพบได้เคยเห็นได้เคยสัมผัสและได้เคยเกิดกับตัวเราเองด้วยและเมื่ออาตมาได้เข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัตแล้ว ก็ได้เห็นว่ามีหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าหากผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติแล้วจะเห็นว่าสามารถที่จะนำมาแก้ปัญหาครอบครัวได้เป็นอย่างดีกล่าวคือพระพุทธองค์นั้นได้ทรงแนะนำสั่งสอนวิธีทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตในครอบครัวนี้อย่างละเมียดละไมที่สุดปัญหา เกี่ยวกับชีวิตในครอบครัวนั้นนี่เรากล่าวย่อลงมาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระวางสามีภรรยาเป็นสำคัญซึ่งความจริงสมาชิกครัวเรือนนั้นมีมากกว่านี้และปัญหาต่างๆก็จะมีมากกว่านี้เหตุของปัญหาก็จะมีมากกว่านี้แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายเข้าวันนี้เราสรุปรวมมาพูดถึงปัญหาชีวิตครอบครัว เฉพาะในส่วนของสามีภรรยาเราจะสังเกตเห็นว่าในครอบครัวหนึ่งหนึ่งถ้าหากจะมีปัญหาเกิดขึ้นจะเห็นว่ามีปัญหาใหญ่อยู่สองประการนะปัญหาที่หนึ่งก็คือปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหารายได้ไม่พอจ่าไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็ปัญหาของการมีหนี้สินมากล้นท่วมทน้น จนเกินกําลังความสามารถที่จะบรรเทาได้และอีกปัญหาหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเฉพาะรายก็คือปัญหาความวิบัติเสียหายในทรัพย์สินซึ่งความวิบัติเสียหายนี้อาจจะสืบเนื่องมาแต่พยานตรายต่างๆแต่ว่าไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือตนเองนั่นแหละเป็นผู้ทีเ่เป็นตัวกระทำให้สมบัติ ของตนนั้นวิบัติผิดหายไปด้วยมือของตนเองซึ่งถ้าว่าเป็นด้วยเหตุเพศภัยอื่นมันก็เป็นเรื่องของเหลือวิสัยที่จะนํามากล่าวไดเ้เพราะฉะนั้นอาตมาจะมาก่าวถึงปัญหาในทางเศรษฐกิจในข้อนี้ว่า เ, เศรษฐกิจในครอบครัวที่ว่าไม่ดีเนะี่ยเพราะอะไรแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนี่อย่างหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือปัญหาทางด้านจิตใจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตสามีภรรยาบางครั้งก็ถึงกับมีปัญหาแตกแยกที่เรียกว่าครอบครัวแตกแยกแล้วก็เป็นปัญหาลูกลามไปถึงลูกหลานให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนไปด้วยปัญหาสองประการนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่ที่มักจะมี มักจะเห็นปรากฏอยู่เสมอในครอบครัวเรามาลองพิจารณาดูว่ามูลเหตุของปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวที่ว่ารายได้ไม่พอจ่าและหนักเข้ากลายเป็นผู้มีหนี้มีสินหนักหนักเข้าก็ถึงมากล้นพ้นตัวหรืออาจจะ เ, เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า ทําให้เสียทรัพย์สินหรือทําลายทรัพย์สินอของตนเองอซึ่งไม่ใช่ว่าใครทําตนเองเป็นผู้ทำเนี่ยก็ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุประการสําคัญที่เราเห็นอันนี้ตรงกับธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าครอบครัวหรือวงตระกูลจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าตั้งบุรุษ หรือสตรีผู้ทุศีนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ที่มีความเป็นใหญ่มีอำนาจในครอบครัวนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีศีลไม่มีศีลนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีศีลห้าซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบดีนะว่าการที่ในครอบครัวใดมีผู้ที่ ประพฤติผิดศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอำนาจในครอบครัวนั้นแล้วนำไปสู่ความวิบัติผิบหายซึ่งทรัพย์สินของตนและประการสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นเครื่องทำลายทรัพย์สินของตนไปโดยที่เรียกว่าไม่น่าจะเป็นไปเช่นนั้นเราลองมาดูว่าผู้ที่มีความประพฤติผู้ศีลมีอะไรบ้างที่นำไปสู่ความวิบัติฉิบหายแห่งทรัพย์สิน และเป็นเหตุให้มีไรายได้ไม่พอรายจ่ายและหนักข้าวก็กลายเป็นมีหนี้สินมากเขาก้าวขอมากล้นพ้นตัวเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนภายในครอบครัวง่ายๆที่ว่าผู้ทุศีนเราหยิบมายกข้อเดียวแหละอย่างเช่นผู้ที่หลงติดอยู่ในอบายมุขซึ่งครอบคลุมถึงความประพฤติผิดศีลหลายข้อทีเดียวอย่างเช่นเป็นนักเลงสุรา บุคคลที่เสพสุราหรือสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นประจำมากน้อยเพียงไรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสพสุรายาเมาและพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นสนุกสนานเฮฮาไปตามเพื่อนฝูงเพื่อนมากลากไปเหล่านี้ล้วนแต่ทำลายเวลาทำลาย ทรัพย์สินทำลายความสงบสุขในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำลายสุขภาพของตอนเองเมื่อตอนเองเป็นบุคคลที่มีความสุขภาพที่ไม่ดีอ่อนแอแล้วหน้าที่กิจการงานมันก็ถดถอยลงสติปัญญามันถดถอยลงและนอกจากนั้นแล้วหากเจ็บไข้ได้ป่วยไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มันแทรกซ้อนเข้ามาอันเนื่องแต่การติดสิ่งเสพติด มึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่างเช่นสุรายาเมาแล้วก็ต้องไปหาหมอละพูดอย่างง่ายๆส ต, ติปัญญาก็เสื่อมสุขภาพกายก็เสื่อมสุขภาพจิตก็เสื่อมมันเสียไปหมดเงินทองก็ต้องเสียไปในสิ่งซึ่งไร้สาระอย่างนี้มากที่นี้อีกประการหนึ่งในอบายมุขมันก็มีความประพฤติปฏิบัติที่ผิดศีลเหมือนกันอย่างเช่นความหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่เรือน อันนี้ก็จัดเป็นความประพฤติผิดศีลที่เรียกว่าทุศีลทีเดีย ว, ยวหากว่าครอบครัวใดไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อบ้านก็ดีหรือแม่เรือนก็ดีหากมีความประพฤติผิดศีลในข้อชอบหมกมุ่นอยู่ในกามาคุณแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าจะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาแม้กระทั่งในการพักผ่อนในการที่จะใช้เวลามีความสุขสงบอยู่กับครอบครัวก็ต้อง ไปอยู่ในที่ที่ดูแล้วน่าสงสารบางคนมีบ้านใหญ่บ้านโตต้องไปนอนต้องไปอยู่ในตามห้องตามบ้านเล็กๆน้อยๆตามตรอกตามซอกกลางค่ำกลางคืนก็ไปอย่างนั้นเสียทั้งสุขภาพกายเสียทั้งสุขภาพจิตทั้งของตนเองและของครอบครัวด้วยอันนี้อาตมาเคยเห็นสองอย่างนี้รวมกันเข้าอย่างเช่นอบางคนเนี่ยอครอบครัวบุตรภรรยาเนี่ย คอยรับทานอาหารเป็นปกติไม่มาทําไมโน่นไปดื่มสุราอยู่กับเพื่อนฝูงที่ไหนก็ไม่รู้พอค่ําลงก็เที่ยวเตะต่อไปอีกไปไหนผู้หญิงเมื่อไปผู้หญิงนะ่ะเสียทั้งเงินทั้งทองนะไอ้สามไอ้บุตรภรรยาก็รออยู่นี่แหละเป็นที่น่าสงสารพอกลับมายิ่งสิ้นเดือนใหม่ๆเพิ่งได้เงินเดือนกลับมาเงินหมดซะแล้วหรือเงินเหลือ น, นิดเดียวไอ้ลูกไอ้เมียหรืออะไรเนี่ยคอยรับทานอาหารด้วยโถน่าสงสาร นึกว่าจะมีอะไรม า, ารับทานด้วยกันสนุกสนานด้วยกันเปล่าลงขวดเหล้าหมดแล้วก็หนักเข้าก็โน่นและไปเรื่องผู้หญิงหมดเงินทองเสียไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ทาลายความสงบสุขในครอบครัวด้วยทําลายเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยและทําลายสุขภาพกายสุขภาพจิตทุกอย่างนี่แหละนามาซึ่งความทุกข์เดือดร้อนภายในครอบครัวอีกประการหนึ่งการพานันการพานันนี่ มันยิ่งกว่าโจรปล้นมันยิ่งกว่าไฟไหมถ้ายิ่งติดการพานันด้วยแล้วใหญ่เลยและเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเศรษฐกิจภายในครอบครัวไม่ต้องพูดมันหมดไปกับสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าดีจะเกิดได้ขึ้นมาบ้างก็ย่ามใจแต่ไอเสียนั้นมันมากกว่าได้นักหนักเข้าก็อยากจะได้คืนอยากจะได้คืนก็เสียไปเรื่อยหมดนักหนักเข้าเลือกสวนไร่นาหมดบ้านช่องเรือนชานดีไม่ดีหมดทรัพย์สินหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเที่ยวกลางคืน เที่ยวกลางคืนนี่จัดอยู่ในประเภทผิดศีเหมือนกันนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเบาหน่อยก็จัดอยู่เป็นอบายามุก ค, คือทางนำไปสู่ซึ่งความฉิบหายเช่นเดียวกันกับข้ออื่นๆผู้ที่ติดเที่ยวกลางคืนอยู่เสมอนั่นถ้าจริงๆแนละ้วดูให้ดีเป็นบุคคลที่ไม่รักตัวเองนะเพราะว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเวลาเสียทั้งความสงบสุขสุขภาพกายสุขภาพจิตเหมือนกันหมดเสียหมด เราะอะไรแทนที่จะได้พักผ่อนหลับนอนที่ดีาลาวซกซกๆเที่ยวไปเรื่อยอย่างนั้นนะแล้วได้ชื่อว่าไม่รักลูกไม่รักเมียไม่รักครอบครัวไม่รักทรัพย์สินของตนเพราะมันทําลายได้หมดสุขภาพจิตสุขภาพกายของบุตรภรรยามันแยกไปหมดตามกันเหล่านี้เป็นต้นเพราะถูกทอดทิ้งหนักๆเข้านั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวแต่ว่าประการสําคัญที่สุดอาตมาจะสรุปตรงนี้ว่า การที่มีบุรุษหรือสตรีเป็นผู้ทุศีลอย่างเช่นเสพหรือติดยาเสพติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทที่เรียวกว่าเป็นนักเลงสุรา ห, หรือหมกมุ่นในกิเลสกรารมนี่ผิดศีลข้อ3รวมทั้งติด ก, การพนันติดเที่ยวกลางคืนซึ่งก็เป็นความประพฤติปฏิบัติไม่ดีจัดเป็นอบายมุขทั้งหลายนี่นำไปสู่ ความเสื่อมเสียซึ่งทรัพย์สินนําไปสู่ความตกต่ำแห่งเศรษฐกิจภายในครอบครัวก่อให้รายได้ไม่พอรายจ่ายก็ให้เกิดปัญหาหนี้สินต่อไปเพราะเมื่อเงินไม่พอใช้ใจ่ายมันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหนักเข้ามากเข้ามากเข้านั่นแหละพ่อคูนดอกเบี้ยพอกคูนหนักเข้าก็ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนหมดทั้งครอบครัวด้วยกันอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นมูลเหตุสําคัญของ เศรษฐกิจภายในครอบครัวที่มันตกต่ำก็คือว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ใช้จ่ายเกินตัวมีเห็นอยู่เสมอเช่ยว่ามีรายได้ประจําอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแทนที่จะแบ่งสันปันส่วนทรัพย์สินเงินทองให้เป็นสัดส่วนเพื่อจับจ่ายใช้สอยให้พอหมาะพอดีไม่เกินตัวก็ใช้โดยไม่ประมาณตนนึกอยากจะซื้ออะไรอยากจะใช้จ่ายอะไรก็ใช้จ่ายไปมันก็หมดแหละรายได้เท่าไรไม่พอหรอก ใช้จ่ายจะให้หมดเงินหมดทองเท่าไหร่มันง่ายแต่ไอการหาการเก็บออมนี่สิมันยากกว่าจะเก็บออมได้มื่นหนึง่งแสหนึ่งไม่ต้องพูดละยากเหลือเกินแต่ถ้าจะจ่ายให้หมดมื่นหนึง่งแสนหนึ่งหรือล้านหนึง่งพลิดเพลเดียวทําได้นี่แหละถ้าหากว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคการใช้สอยทรัพย์ใช้จ่ายเกินตัวเย็นลงก็เฮฮาเฮฮากับเพื่อนสวัสดีทั้งนั้นแหละบางครั้งบางรายอาจจะพูดอ่าแม้คราวนี้ไปแต่เพื่อนเลี้ยงเออ แต่เพื่อนเลี้ยงนะใครจะทนในเพื่อนเลี้ยงได้มันก็ไอ ห, หมุนเวียนกันเลี้ยงแต่เลี้ยงแต่ละครั้งหมดไปเท่าไหร่แล้วรายได้เราเท่าไหร่แล้วถวัสดีเดือนหนึ่งมีการเลี้ยงต้องใช้จ่ายไปเฉพาะเรื่องการเลี้ยงอย่างเดียวเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้แล้วก็เรายังจะต้องใช้จ่ายอย่างอื่นอีกเยอะมันจะพอไหมนี่ถ้าหากว่าพิจารณาให้ท่องแทรู้รจักจัดระบบการเงินแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจมันอยู่ที่ว่าทุศีลติดอบายามุขและไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ ใช้จ่ายเกินตัวอีกประการหนึ่งที่มันมีมาสู่เศรษฐกิจภายในครอบครัวก็คือว่าประกอบกิจการงานที่เป็นโทษหรือไม่เป็นประโยชน์อีกในหนึ่งก็คือประกอบมิจฉาชีวะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีวะที่ไม่สุจริตมันเป็นทุกข์พอสักวันหนึ่งเขาก็จับได้ไล่ทันมันก็เป็นโทษหรือไม่ถึงกับเป็นทุจริต แต่ว่าประกอบการงานที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่เป็นอาชีพที่มั่นคงอย่างเช่นบุคคลที่ขี้เกียจจับจดหยิบโยงสำรวยเจ้าสำราญไม่ค่อยอยากจะทำงานเป็นหลักเป็นแหลง่งร่อนไปเร่มารายได้ก็ไม่มีถึงแม้จะเป็นลูก เ, เ, เป็นทายาทที่มีทรัพย์สินเงินทองมากเขาก็จับจ่ายใช้สอยหมดไปอย่างเดียวส่วนไอการที่จะหาเพิ่มพูนเข้ามานั้นไม่ค่อยจะมี เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้รายได้ที่มีอยู่หมดน้อยถอยลงถอยลงนักเข้าก็เดือดร้อนเศรษฐกิจในทางครอบครัวตกต่ำอีกประการหนึ่งมันซ้อนเข้ามาแล้วมีอยู่เป็นธรรมชาติคือกรรมเก่านะกรรมเก่าเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญกล่าวคือว่าบางคนประพฤติผิดศีลทุศีลมามากเช่น ประกอบอธินนาทานมามากนะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่กรรมให้ผลก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรัพย์สินวิบัติเสียหายด้วยเวรจากอธินาทานคือการลักช่อกระบฏโคดโกงผู้อื่นมาในอดีตมาถึงจุดปัจจุบันที่กรรมนั้นพอเหมาะกับเวลาพอเหมาะกับสถานการณ์ที่จะให้ผลก็ปรากฏให้ผลขึ้นมาอันนี้ก็ทําให้ทรัพย์สินวิบัติเฉีกหายได้ อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของกรรมเก่าคือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีฐานบารมีคือว่าเป็นบุคคลตรณีทีเหนียวไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักว่าการประกอบการบุญการกุศลอย่างเช่นทานกุศลการบริจาค ก, การเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนทรัพย์สินส่วนตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นนั้นจะมีผลเป็นบุญคือเป็นธรรมชาติ เครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสจากความตรณีเหนียวแน่นจากความโลภจากความเห็นแก่ตัวจัดและในขณะเดียวกันจะเป็นผลให้เจริญรุ่งเรืองด้วยมนุษยสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์นะมนุษยสมบัติก็ได้แก่ทรัพสมบัติคุณสมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทรัพสมบัตินี่เราจะเห็นว่าคนที่มีทานบารมีมาก่อนไม่ค่อยขัดสนจะคิดประกอบ การทํามาหาเลี้ยงชีพใดมันก็เห็นช่องศพช่องแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองไปได้แต่บางคนเนี่ยบางทีลงทุนไปเท่าไรๆต๋อมหายต๋อมหายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าขาดทานบารมีนะทานบารมีหย่อนหรือว่าหมดบุญพูดอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรัพย์สินไม่จเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าไม่มีบุญไม่มีกุศลอีกประการหนึ่งก็คือว่าขาดสติปัญญา รู้ทางเจริญทางเสื่อมรู้บาปบุญคุณโทษก็ไม่รู้จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่จะให้เป็นไปในทางที่ลดบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจคือไม่เข้าใจว่าอย่างนั้นเถอะและก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะเพิ่มภูมิรายได้ของตนเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องสติปัญญาความสามารถนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญของบุคคลที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เศรษฐกิจภายในครอบครัวไม่ดีเท่าที่ควร ทีนี้ถ้าจะกล่าวถึงว่าวิธีแก้ปัญหาอันเกี่ยวด้วยเศรษฐกิจนี้ควรจะทำอย่างไรอันนี้อาตมาแนะนำไว้ข้อหนึ่งเป็นธรรมะปฏิบัติที่สำคัญยิ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลที่จะเจริญรุ่งเรืองได้จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในถิ่นในทาเลที่ดีนี่ข้อหนึ่งคือว่า อยู่ในที่ที่มีโอกาสได้ประกอบคุณความดีแล้วก็สามารถที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ตนได้นี่อย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิรูประเทศอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นบุคคลที่รู้จักคบสัตบุรุษหรือคนดีเป็นมิตรที่ดีเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าสัตบุรุษนั้น หมายเอาบุคคลที่มีฮิริโอตปะรู้จักเกรงกลัวรู้จักละอายต่อบาปอากุศลแล้วก็เป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลไม่เป็นคนที่ไร้เหตุไร้ผลเป็นบุคคลที่รู้จักตนรู้จักบุคคลและสังคมและเป็นบุคคลที่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์นี่ถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนใดรู้จักคบคนดี มีมิตรที่ดีย่อมเห็นตัวอย่างที่ดีได้รับคําแนะนำสั่งสอนที่ดีย่อมนำชีวิตไปสู่ดีได้ะจะเจริญรุ่งเรืองได้อีกประการหนึ่งก็สืบเนื่องมาแต่ปุเพกะตะปุญญาตาคือความเป็นผู้มีบุญเก่าไอ้คาว่าบุญเก่าก็คือความดีที่กระทํามาก่อนกระทํามาก่อนล่วงมาแล้วในอดีตก็ย่อมมาให้ผลในปัจจุบัน กระทำในปัจจุบันย่อมให้ผลต่อไปในอนาคตนี่อันนี้แหละอาตมาค่จะแนะนำให้ท่านทั้งหลายรู้จักและพึงกระทาเพื่อจะมาเป็นบุญเกื้อหนุนแก่ท่านทั้งหลายให้สามารถคิดถูกพูดถูกเห็นถูกประพฤติปฏิบัติถูกแล้วก็นำความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมาสู่ตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ารู้จักมีศรัทธา ในสิ่งซึ่งควรศรัทธาเช่นบุคคลที่ควรศรัทธาธรรมะหรือแนวทางหลักวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ควรศรัทธาคําว่าศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาก็อย่างเช่นศรัทธาในพระรัตนตรัยว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงไว้ดีแล้ว คือให้ละชั่วให้ทำดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนได้เสมอละชั่วคือว่าอย่าประพฤติผิดศีลอย่าตกอยู่ในอบายมุขให้รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์แล้วก็ให้รู้จักประกอบสัมมาชีวะให้เป็นหลักฐานมั่นคงด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ อีกประการหนึ่งก็คือให้รู้จักฐานกุศลให้รู้จักบริจากเสียสละทรัพย์ ส, สินเงินทองหรือความสุขส่วนตนสติปัญญาความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างอันนี้จะได้เป็นพลวัตปัจจัยเกื้อหนุนตนให้เจริญนุ่งเรืองด้วยมนุษยสมบัติได้แก่รูปสมบัติคุณสมบัติคุณสมบัตินีก็คือคุณความดีและความรู้ความสามารถ เมื่อมีอยู่ที่ใดมีอยู่กับใครคนนั้นอยู่ที่ไหนประกอบกิจการงานใดๆย่อมมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองกว่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นและประการสาคัญที่สุดก็คือว่าเป็นผู้ที่สามารถจะเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นไปด้บุญกุศลด้วยทานกุศลซึ่งกลายเป็น บุญแล้วก็บารมีเป็นอุปบารมีปรมัตดบารมีเหล่านี้เป็นต้นก็จะช่วยได้มากทีเดียวและความประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลดีต่อไปในอนาคตความจริงก็ตั้งแต่ปัจจุบันนั้นแหละก็คือปัญญาพึงอบรมสติปัญญาให้รู้เห็นให้ถูกต้องตามทํามนองครองธรรมว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีดีอย่างไรตามที่เป็นจริงและให้รู้แจ้ง ประจักษ์จริงว่าทางเจริญทางเสื่อมมีอย่างไรบากบุญคุณโทษมีอย่างไรตามที่เป็นจริงไม่ใช่สักแต่คิดเอาเองเนเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดรู้จักประกอบคุณความดีในปัจจุบันที่จะให้เป็นผลดีต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธานในธรรมะหรือในพระรัตนตรยัยหรือในออทางประพฤติปฏิบัต ที่ดีที่ชอบตามที่เป็นจริงนี่อย่างหนึ่งพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในอบายมุขและเป็นผู้ที่มีศีลต่างๆ่าอย่างน้อยก็ห้าข้ อ, อ, อดังที่ได้เคยแนะนำมาแล้วแล้วกเ็เป็นผู้ที่มีจาคะสัมปทา รู้จักเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินความสุขส่วนตนสติปัญญาความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างแล้วก็รู้จักอบรมปัญญาของตนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือแนวทางประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์ตามที่เป็นจริงถ้าหากประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วเชื่อแน่ว่าจะมีผลดีต่ อ, อชีวิตของท่านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งจะขอแถลอีกนิดนึงว่าธรรมะปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สุขในปัจจุบันแน่ๆอีกประการหนึ่งก็คือว่าพึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานพึงรู้จักรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงรู้จักใช้สอยทรัพย์เท่าที่พอมีพอได้ตามจาเป็นไม่ใช้จ่ายเกินตัวเนยะ และก็พึงรู้จักคบคนดีเป็นมิตครคบผู้ที่เป็นสัตว์ุบุรุษและมิตรแทร้ถ้าอย่างนี้แล้วท่านสามารถจะป้องกันแก้ไขปัญหาชีวิตในการครองเรือนหรือครอบครัวของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมิให้ตกต่ำให้มีแต่เจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียววันนี้อัตมภาพขอยุติการบรรยายธรรมในเรื่องการแก้ปัญหาครอบครัว ในส่วนของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไว้แต่เพียงนี้ก่อนขณะนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติที่ได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคลโลในธรรมะบรรยายเรื่องการแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วยธรรมะว่าด้วยปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวสาหรับธรรมะบรรยายในเรื่องนี้ยังมีอีกในตอนต่อไปที่หลวงพ่อจะ นำการแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วยธรรมะว่าด้วยเรื่องปัญหาทางด้าน จ, จิตใจขอเชิญสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสุสติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามสารธรรมจากตรงนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร